ส่วนที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อบ้างหรือว่าส่วนที่ได้อุปถากหลวงพ่อในช่วงที่หลวงพ่อเจ็บป่วยบ้างเนาะก็เป็นธรรมะที่ที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อตัวกับผมเองหรือว่าอาตมาก็รู้จักหลวงพ่อนะจากจากการที่คิดจะมาบวชที่บวชแล้วก็แต่จะมาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตประมาณปีสองพนหะ้า้สี่ิบเอ็ดเคยมา สำรวจค่ายออกค่ายแถบจังหวัดชายภูมิก็มาขึ้นมาบนหลังเขาตรงนี้ก็มีมีพัฒนากรที่อำเภอแก่งคอพามาผ่านแถบหน้าวัดป่าสุขกโตแต่ไม่ได้เข้าวัดนะก็เคยได้ยินที่เสียงพระอาจารย์เพรสารรู้ว่าท่านอยู่ที่วัดป่าสุขกโตได้ผ่านก็จำได้พัฒนากรก็บอกว่า แต่พระนกรอนนะตอนนั้นท่านไม่รู้จักอาจารย์เภสารแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อคำเขียนนะที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยมีหลวงพ่อคำเขียนนะอยู่ที่วัดนะบอกว่าเป็นพระปฏิบัติดนะีปฏิบัติชอบ เ, ออเราก็ได้ยินใช่ั้ น, นอ้อโกโตนี่ก็ดีเนาะมีทั้งหลวงพ่อคำเขียนมีทั้งราจารย์เผยสารนะถ้าเราจะบวชเราก็คิดว่าเออเราจะมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนี่แหลนะ ว่ตอนปีสนะี่สิบสามหรือว่าประมาณสิบสี่ปีที่แล้วนะพอคิดจะบวชก็เลยพาญาติโยมมามาดูวัดนะมากราบหลวงพ่อมากราบพระอาจารย์แต่วันนั้นพระอาจารย์ยังไม่อยู่นะก็ได้ดูวัดที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อที่ที่กุติกุติที่วัดผููขอทองตัวนี้แหละกุติหลังที่ตั้งสริระหลวงพ่อเนี่นแหละ แต่แต่ก่อนยังไม่มีการขยายด้านหน้านะเราไม่ได้ขยายด้านข้างาก็กราบหลวงพ่อแก็ได้คุยกับท่านก็รู้สึกถึงถึงความใจดีนะรู้สึกอบอุ่นเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ได้บอกท่านว่าจะบวชจะข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ปัสสาวสุกโ ต, โตได้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าได้ได้ไดีดีดนะ มาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันก็ยังจําจําสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้ตั้งแต่สิบสี่ปีก่อนอท่านบอกว่ามาได้ได้ไดนะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาอยู่กับท่านนานขนาดนี้นะหรือจะได้ช่วยท่านบ้างนะไม่คิดว่าจะได้ชีวิตนี้จะได้ทําเช่นนี้แต่ที่จริงถ้าจะว่าไปจริงก็ ไม่ได้ช่วยท่านอะไรมากหรอกที่จริงท่านนั่นแหละเป็นคนช่วยผมหรือว่าช่วยอาตมามากกว่านะเพราะว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตก็จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะที่ว่าหลวงพ่อสอนให้เราได้รู้จักกับความรู้สึกตัวรู้จักกับตัวเองนะแต่ก่อนเคยเที่ยวตามหาความหมาย ของชีวิตทําหาความหมายแห่งตัวตนจริงๆนะแต่จริงมันหาความหมายจากความคิดอ่านหนังสือแล้วก็คิดแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจนะแต่พอเจอปัญหาก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่แต่พอมาทําความรู้สึกตัวนํามาฝึกสติอ๋อการรู้ตัวชีวิตจริงตัวเราก็มีอยู่แล้วเนาะมีกาย มีใจมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจของเราเลยเราไปอยู่ในโลกของความคิดคิดนั่นคิดนี่นสุขสุขทุกทุ ก, ทกอยู่ตั้มไปแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยออมาทำให้เราอยู่เป็นผู้ดูดูกายเ อ, อดูกายเขาเคลื่อนไหวดูใจเขาคิดนึกนเมื่อได้รู้จักกับความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึก มันเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะทำให้ก็เออคิดว่าธรรมะนี่มันมีอะไรดีมากมายเนาะก็น่าจะศึกษามาเรื่อยๆนะศึกษามาเรื่อยๆก็เรื่อยๆมาหลายปีละอืม <laughs> ก็สนุกดีนะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้อยู่ตรงนี้นานขนาดนี้แต่ที่จริงก็คิดว่าสุขโตเองก็ได้ให้อะไรแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วก็ช่วยทำบ้าง การงานที่วัดบ้างหรือว่างานดูแลด่องพ่อบ้างแต่รจริงเรื่องการดูแลด่องพ่อเนี่ยถ้าปกติถ้าท่านแข็งแรงดีเนี่ยได้หวังว่าจะช่วยท่านเพราะท่านจะทําเองทุกอย่างนะทางานทําการเนี่ยนะท่านไม่เรียกใครมาช่วยนะถ้าเป็นงานที่ท่านพอทําได้นะท่านทําเองทั้งหมดแหละนะจะร ด, ดน้ำต้นไม้จะปลูกต้นไม้ จะขุดดินนะจำได้เลยปีสี่สี่เนี่ยสมพื้นที่สดาสดาหน้าวัดป่าสุก โ, โตนะยกพื้นยกพื้นสดาขึ้นสั่งดินมาถมนะท่านก็โกยดินนะเกี่ยดินของท่านเองก็จะเห็นภาพแบบนี้นนะเห็นเห็นภาพที่ท่านที่ท่านทำนะส่วนใหญ่ตมาเองก็อยู่กับ อยู่ที่สุกโตนะก็อาศัยกันสังเกตออกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถามครูบาอาจารย์กนะ็ฟังธรรมจากท่านทนะุกวันทุกวันก็พอจะเข้าใจบ้างจากการฟังจากการปฏิบัตินะไม่ค่อยถามครูบาอาจารย์อยู่กับท่านมาร่วมสิบสี่ปีเนี่ยก็ไม่เคยถามธรรมะทะ่านเลยนะเพราะไม่รู้จะถามอะไรเพราะสลงพ่อก็ เทศทุกครั้งเชื่อว่าเทศทุกครั้งเนี่ยครบตั้งแต่ต้นนะเบื้องต้นถ้ำกลางแล้วก็ที่สุดนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดได้อย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าก็เลยเชื่อว่าเนะี่ยที่ท่านสอนนะมันครบอยู่แล้วเหลือแต่การกระทําของเรานั่แหละที่เราจะทําได้อย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าก็คิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ถามอะไรท่านอยู่กันมาก็ เขาฟังที่ท่านสอนแล้วเราก็พยายามตั้งใจสอนตัวเราเองจากสิ่งที่ท่านสอนนั่นแหละแต่บางทีก็สังเกตจากตัวท่านนั่นแหละสังเกตจากการกระทําของท่านนะรู้สึกว่ามันมนเป็นในที่มันชัดเจนมากอย่างความรู้สึกของของกระผมเบื้อตมาเองเนี่ยรู้สึกชัดเจนมากหนุ่พ่อเนี่ยเป็นเป็นสั ม, มณะจริงๆส ม, มณะที่แปลว่าผู้ ผู้มักน้อยผู้สันโดษหลวงพ่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสันโดษมากนะแต่ยินเรื่องเราบางทีหลวงพ่อนอนใต้ต้นไม้เนา ะ, ะกุฏิไม่ค่อยอยู่อยู่ศาลาบ้างนอนใต้ต้นไม้บ้างนะหรือนอนตามเรียกว่าเล้าไก่ก็เคยนอนได้ยินตรงศาลาไก่มีเล้าไก่ตางทีหลวงพ่อไปนอนใต้เล้าไก่นะใต้กอไผ่ก็มี จะจำได้ดีเลยตอนปีสี่สามที่เห็นหลวงพ่อนานๆหน่อยตอนช่วงเดินธรรมญาตาครั้งที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไปร่วมธรรมญาตาด้วยก็ดูสังเกตหลวงพ่อนอนที่ไหนนอไม่เห็นหลวงพ่อกางกดกางเต็นอะไรหลวงพ่อนอนยืนบนรถครับเจ็ดวันแปดวันเนี่ยนอนบนรถอิสุสีขาวที่อยู่วัดผกขะทองเนี่แหละนะนอนอยู่บนรถเปิดหน้าต่างนิดนึงนะ เอาผ้าคล้ายมุ้งมาบังตรงหน้าต่างถ้านอนแบบนี้นอยู่บรถโอ้ทำไมหัวงพ่อนอนง่ายจังก็ค <c oughs> ิดอยู่นะเออท่านใช้ชีวิตแบบง่ายๆน ะ, ะกินก็ง่ายๆนอนก็ง่ายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากรู้สึกความเป็นสมณะความสมถะความสันโดษของท่านเนี่ยมันชัดเจนมากแต่ในความง่ายของท่านน่ะไม่เห็นความงามนะ เห็นความงามในกิริยาของท่านเนี่ยสังเกตได้ถ้าใครเห็นหลวงพ่อขณะที่เดินเนี่ยเดินแบบเดินแบบช้างฮะเดินแบบมั่นคงนเดินแบบมั่นค ง, นนบบมนคงไม่หวั่นไหวแล้วก็เดินแบบสงบไม่รีบร้อนะไม่รีบไม่เร่งนแล้วก็มั่นคงนสังเกตได้จากการทํางานก็ดีหลวงพ่อทําอะไรก็อืมจังหวะมันพอดีพอดี นะจะขุดดินก็จังหวะพอดนะีจะเรื่อยไม้จะทำอะไรก็พอดีรู้สึกมันพอดีพอดีโอ้รู้สึกมันงามงามในกิริยาของท่านในความเรียบง่ายก็ดีในความงดงามก็ดีเราเห็นความสงบนะความสงบนะในใจของท่านนะท่านทาไปไม่ได้รีบร้อนแล้วก็สงบนะหรือว่าในสถา น, านการณ์ที่ เจออะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกท่านเป็นผู้ที่ที่สงบนิ่งนะได้เคยได้ยินคนกล่าวถึงว่าท่านก็โดนใส่ร้ายป้ายสีโดนเรื่องอะไรไม่ดีกับชีวิตก็เยอะพอสมควรนะผู้คนก็เล่าว่าท่านก็เฉยเฉยท่านก็ไม่ไปตอแยไม่ไปอะไรอยู่กับท่านไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีไม่มีนะอืมไม่เคยเรียกว่า สัพปะสอิสานเราบาพื้นคนอื่นนะเบาเคยนะไม่เคยเกล่าวถึงคนอื่นในทางไม่ดีถ้าจะกล่าวถึงก็กล่าวถึงแต่ด้านดีของคนอื่นนะนี่ก็คือเป็นความสงบนะของวาจาด้วยนะไม่ใช่สงบแต่เรื่องกิริยานะแต่วาจาท่านก็สงบนะไม่เสียดสีไม่วระทุสร้ายต่อคนอื่นพูดถึงเขาแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นคิดถึงก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆอันนี้คือ สิ่งที่ได้เห็นหลวงพ่อเนาะได้เรียนรู้จากหลวงพ่อถ้าจะพูดถึงบุคคลิกหรือว่าสิ่งที่ประทับใจกับหลวงพ่อเนะี่ยมีมากเนาะอาจจะไม่ีเวลาพูดนะแตนะ่แต่สิ่งที่ได้ใกล้ชิดท่านเพิ่มขึ้นก็ตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าท่านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้ช่วยอะไรท่านมากหรอกนะท่านจะช่วยตัวของท่านเองตลอดทักผ้า กวาดกุติทำอะไรต่างท่านทำเองแทบทั้งหมดแต่ตอนที่ท่านป่วยก็ตั้งแต่ปีสนะี่เก้าตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกก็ตัวของผมอาตมาเองก็ทราบข่าวช้าหลังจต่ท่านเข้าโรงพยาบาลรักษาให้คีโมมาร่วมสองสมเดือนละถึงทราบข่าวทีหลังตอนนั้นไปทุดงอยู่ก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้ติดต่อใครนะ มีรัางหนึ่งก็ติดต่อกลับไปที่บ้านโยมแม่ก็เลยบอกว่าของพ่อป่วยหนะักอยู่ไอซูนะแต่จริงไอซู ICU นะออกมาแล้วแต่ข่าวของโยมแม่ตกข่าวสักหน่อยนะมันช้าของพ่อออกมารักษาตัวอยู่ข้างนอกกำลังให้คีโมอยูพ่พอโทรกลับมาถามโยมหมูโดือจานตุ่มเนะี่ยก็จำไม่ได้นะก็ถามอาการของของพ่อดูแล้วเออดูท่าทางจะคนดูแลคงเหนื่อย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 ก็อยู่กันสองคนก็เลยเออเราก็กลับมาดีกว่าไปทุดงสี่ห้าหกเดือนละนะกลับมาดูแลหลวงพ่อดีกว่าถ้าไม่ดูข่าวก็คงทุดงต่อยาวแต่ถ้าดูข่าว ก, ก็เลยต้องกลับมาก็ได้ดูแลหลวงพ่อตั้งปีสี่เก้าเนงท่า น, ท, านท่านหายป่วยนะเป็นปกติก็ได้เห็นอาการตรงนั้นใกล้ชิดอยู่แต่ในปีห้าเจ็ดนี้เนาะในปีนี้เนี่ย ก็เป็นช่วงที่รสมัยเองก็ไปทุดงอีกเหมือนกันแหละนะทุดงนะแต่ก็ได้ข่าวจากพ่อจันตุ้มเนะ่ว่านลวงพ่ออือาการไม่ค่อยดีนะคืนอาหารลําบากนะคืนน้นําลําบากเฮ้ hey, เราก็ยังคิดว่าตอนเดินธรรมยถาปีที่แล้วหลวงพ่อยังไม่ร่วมกับพวกเราแทบตลอดเวลาเลยนะก็ยังดูแข็งแรงดีนะแต่พอต้นปีก็คืนไม่ค่อยได้นะ แล้วก็พอไปทำเพทสแกนดูหมอก็บอกอาการว่าไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะมีชิ้นเนื้อมีเนื้อร้ายพอหลงพ่อแอดมิทที่โรงพยาบาลวันที่สี่กุมภาอาจารย์ตุ้มก็ส่งข่าวไปว่าหลพ่อแอดมิทแล้วนะคืนอาหารไม่ได้นะสอดท่อใส่ทางจมูกนะวันที่สี่กุมภาเนี่ยหลงพ่อสอดสอดท่อทางจมูก ใส่สายอาหารไม่สามารถจะคืนน้าคืนอาหารได้แล้วก็เลยตัดสินใจลงมามนะาดูหลพ่อช่วยกับอาจารย์ตุ้มกับยหมูที่โรงพยาบาลจุฬาผลการวินิจฉัยโรก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าท่านก็เป็นมนะเดงเนาะแล้วก็ในตรงที่โรงพยาบาลจุฬาเองก็แนะนำในการรักษาก็คือการฉายแสง อันนี้อาจจะเดาอาการคร่าวๆเลยเนาะเผื่อบางคนไม่ทราบอาการอัพาตของหลวงพ่อเนาะก็หมอก็ประชุมกันว่าจะฉายแสงให้กับหลวงพ่อนะคิดว่าถ้าฉายแสงถึงประมาณส5มสิบห้าครั้งเนี่ยน่าจะหายแต่ถ้าไม่สามารถฉายแสงได้ขนาดนั้นคงคงไม่หายขาดแต่ก็น่าจะทำให้ก้อนมันชะลอดตัวหรือว่ามันไม่ขยายตัวได้ก็ พิจารณากันข้อดีข้อเสียนะถึงผลที่ได้รับหรือว่าถึงอาการที่ข้างเทียงที่จะเกิดขึ้นก็สะดุดกันว่าเออมันมีทางเลือกเดียวผ่าตัดก็ไม่ได้เคมก็ไม่ได้ก็ฉายแสงแล้วกันก็ฉายแสงแต่ปรากฏว่าฉายประมาณปลายเดือนกุมภานแล้วก็ฉายแสงก็แต่ฉายแค่สี่ครั้งหลวงพ่อก็หายใจไม่ค่อยสะดวก วันนั้นเสาร์อาทิตน่นหลวงพ่อออกขอออกมาพักที่มูนิธิหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อท่านก็อยู่โรงพาบาลจุฬาเนาะหมอถามว่าอยู่โรงพาบาลจุฬาขาดเดือยไหมอะไระไหมหลวงพ่อหลวงพ่อบอกขาดต้นไม้ขาดอากาศบริสุทธนะ์เนี่ยอยากขอมาพักข้างนอกได้สักสองสามวันได้ไหมก่อนไปชายแสงนะอืหลวงพ่อก็ขอมาพักที่มูนิธิหลวงพ่อเทียน แต่ปรากฏว่าเสียงหลงพ่อเริ่มเปลี่ยนไปในวันเสาร์การหายใจของพ่อเริ่มผิดปกติในวันอาทิตย์นะพอกลับมาโรงพยาบาลในวันจันทร์หมอก็เลยตรวจยกใหญ่เลยส่องกล้องไปดูอีกทีปรากฏว่าหลอดลมนะลอดลมที่เป็นส่วนในการหายใจมันโดนเบียด น, นะถ้าเราคิดถึงแบบหลอดอาหารหลอดกาแฟที่เราดูดน่ะนะแล้วมันหลอดมัน เล็กๆลงมามันจะดูดยากนะการหายใจตอนนั้นก็เหมือนกันมันโดนโดนก้อนเนื้อเบียดอาจจะโดนก้อนเนื้อเบียดหรือว่าเกิดจากการถักเสบจากการฉายแสงก็ดีนั่นแหละทาให้หายใจไม่ได้หายใจลาบากไม่ถึงไม่ได้หรอกหายใจลาบากเอาอยัางไงดีละ่ะหมอก็แนะนําว่าให้เจาะค อ, อแต่หลวพ่อเองอ่ะอาจจะมีมีเรียกว่ามีภาพที่ติดตาหน่อยกับ คนที่เจาะคอเพราะว่าอุปชาของหลวงพ่อคือเจ้าคุณสีอนาฏจังหวัดเลยนะท่านก็เจาะค อ, อท่านไม่สบายเจาะค อ, อท่านก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณสีอนาฏเนี่ยมีวันหนึ่งท่านก็คล้ายๆก็พลาดนานแล้วก็ผ้ามันทับตรงลมหายใจก็ก็ตายในท่านั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าอุปชาของท่านน่ะเจาะคอแล้วก็ตายนะท่านก็คงไม่อยากที่จะ ท่า น, นก็คงไม่อยากที่จะให้ให้ร่างกายของท่านเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนั้นทางเลือกในการรักษามันไม่มีหมอบอกว่าถ้านหลวงพ่อไม่เจาะคอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่เกินไม่กี่วันหรอกนะอย่างมากก็อสาม ว, วันเจ็ดวันนีนก็ไม่รู้นะก็พยากรณยากแต่ถ้าไม่เจาะคอเนี่ยตอนนั้นนะ่ะไปไม่เกินภายในเจ็ดวันนะหมอว่าประมาณนั้นนะอาจจะสามวันก็ได้หรืออาจจะวันสองวันก็ได้เพราะหายใจไม่ได้ ก็เลยหมอก็เสนอว่าหลวงพ่อควรที่จะเจาะคอแต่หมอก็ไม่บังคับนะ่าหมอว่าถ้าเจาะคอมันก็มีข้อเสียก็คืออาจจะพูดไม่ได้นะอะนะหลวงพ่อจะเลือกแบบไหนเลือกการหายใจหรือการพูดอะนะหลวงพ่อก็ถามความเห็นพวกเรามีมีตามามีอาจารย์ตุ้มมียมหมูแล้วก็คุณหมอนะที่อยู่ตรงนั้นกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ถามความเห็นพวกเราว่ายังไงพวกเราก็ว่าพ่อ ก, ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจาะคอหลวงพ่อก็ก็าหายใจไม่ได้นะถ้านหลวงพ่อไปในตอนนั้นลูกสิทธิ์ลูกหาที่เหลือนะ่ะเขาอาจจะยังทําใจไม่ได้นะอันนี้มมาก็พูดกับหลวงพ่ อ, อย่างงั้นนะเพราะว่าดูท่าทีหลวงพ่อตอนนั้นก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะเจาะคอเท่าไหร่นะแต่ก็คิดว่าถ้าไม่กล่าวกับหลวงพ่อที่นี้บางที ก็อยากให้หลวงพ่อคิดถึงคนอื่นที่เขาไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกับราการอาภาพาตหรือการจากไปของพ่ออย่างรวดเร็วเนาะอืม ก, ก็ก็กล่าวเช่นนั้นแต่ก็เป็นการสะุกจากหลวงพ่อเองแหละนะหลวงพ่อก็ก็ยอมรับแล้วก็ให้หมอได้ไปเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจนะทั้งทั้งที่อ่า มันก็สร้างความลำบากทุกทรมานต่อมาให้กับหลวงพ่อแม้จะทำให้ชีวิตของหลวงพ่อยาวมากขึ้นแต่เราก็เห็นว่าโอ้มันทุกข์มากเจาะคอแล้วก็เสมหะอืมออกเยอะมากไอที่แทบว่าแทบไม่ได้หยุดนะเห็นร่างกายของพ่อเหนื่อยเพราะว่าพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในที่คอนะมันไอมากไอเพื่อขับเสมหะนะทิชชู่นี่เช็ดวันหนึ่งนี่ หลายกล่องเลยนะเพื get, ่อเช็ดเสมหะออกมาดีแต่ว่าไม่ต้องพักชั่นก็คือการดูเสมหะออกแบบนั้นนะเคยทำอยู่บ้างสามสี่ครั้งเห็นได้ว่าบางทีพักชั่นครั้งหนึ่งนี่หงพ่อไอทีเป็นครึ่งชั่วโมงมเห็นอาการเหนื่อยในการทุกข์ของของรูประคันของพ่อนี่เป็นอย่างมากแต่ท่านก็ไม่ได้บวยวายไม่ได้ บนอะไรนะท่านก็ทำไปแล้วก็ยอมรับมันก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดนะพอคิดว่าเออร่างกายก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วเจาะคอก็ไม่ไหวนะทาไงดีคงรักษาไม่ได้แล้วมั้งหลวงพ่อก็ตัดสินใจที่เอมไม่ต้องฉายแสงหรอกกลับมาอยู่ที่วัดของเราดีกว่าหลวงพ่อคิดถึงวัดภูกทองมากนะ นะอยากมานอนที่วัดภูดขอทองนะอยากมาดูต้นนิโคดนะอยากมาดูสาล้าน้าใสยนะอยากมาให้ญาติโยมนะชาวบ้านได้เห็นท่านบ้างนะอามาว่าเป็นความผูกพันนะแต่ไม่ใช่การยึดติดนะความผูกพันก็คือสิ่งที่ท่านคุ้นเคยสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายามาเห็นเช่นนั้นนะพะกลับมาที่ภูขอทองเองก็ ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะแม้การรักษาจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เนาะก็แต่ก็ยังอยู่กับพวกเราได้นานหลายเดือนนะท่านก็อยู่กับพวกเรารักษาแบบทางเลือกบ้างรักษาแบบแนวแผนปัจจุบันบ้างควบคู่กันไปนะคุณหมอเองก็เต็มที่ทั้งหมอแผนปัจจุบันทั้งหมอทางเลือกนะญาติโยมเองก็เต็มที่หายานะ เห็นในญาติโยมหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหลานของพ่อหายาที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะมาให้หลวงพ่อยาแพงขนาดไหนอาหารเสริมดีขนาดไหนก็หามาให้หลวงพ่อหรือบางคนก็อุปถากต์ช่วยงานนั่นนี่ให้กับหลวงพ่ออืมก็เห็นเลยว่าเออมันเป็นช่วงในการตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อเนาะตัวเองก็คิดว่าสิ่งที่ทําก็ไม่ใช่อะไรพิเศษ คือแค่รู้สึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ทำกับเราเราก็เพียงแค่ตอบแทนบุญคุณท่านเท่านั้นนะแต่มีโอกาสเพียงแค่ได้ดูแลท่านใกล้ชิดบ้างนะก็เห็นความเป็นไปที่ท่านสอนธรรมะแม้ช่วงหลังที่ท่านพูดไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าธรรมะที่ท่านแสดงตอนพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดเจนนะมันชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่ชัดเจนผ่านคาพูด แต่ชัดเจนที่กิริยาแล้วก็อาการเห็นกิริยาอาการของกายของพ่อเนะี่ยแม้ไอายเยอะๆแม้ทุกข์ต่างหนักเนะ่ยแต่ท่านก็พยายามช่วยตัวเองนะให้เรียกว่านอนช่วยตัวเองให้กินให้ได้ช่วยตัวเองให้เรียกว่าไม่สร้างความลําบากให้กับผู้ดูแลหลวงพ่อเป็นพิสุอาพาธที่เรียกว่า ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือไม่สร้างไม่สร้างไม่เรียกว่าไม่ทําให้ผู้ดูแลอลาบากนะท่านดูแลตัวเองได้ดีแต่การป่วยครั้งนี้ท่านอาจจะดูแล้วมั้งว่าน่าจะเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายของท่านนะมีการรักษาวิธีไหนนะท่านก็ยอมรับนะแต่ท่านก็จะบอกเตือนพวกเราว่าอย่าหวังมากเกินไปนะท่านบอกว่า อืตายแน่แน่แล้วจะรักษายัางไงก็ตายแน่แน่นะแต่ถ้าพวกเราเห็นดีว่าการรักษาแบบนี้น่าจะดีแม้ไม่หายแตแ่ก็น่าดีท่านก็ยอมนะอ่ะยอมให้รักษายอมให้ฉีดยายอมให้กินยาสารพัดมากมายะท่านก็ยอมอนุเคราะห์เมตตาพวกเราะแต่ท่านแม้เหนื่อยล้าขนาดไหนนะแต่ทุกเช้าท่านก็ยังบริหารร่างกายนะ เหนื่อยมันก็เห็นเนะ่ยตอนนอนเนี่ยท่านอนบางทีนอนตกตะไบแต่ตื่นขึ้นมาก็าพยายามบริหารตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะบริหารปอดนะให้หายใจลึกๆหายใจออกยาวๆหมอบอกว่าปอดจะได้ไม่ติดเชื้อนะท่านก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะเราทําแผลอะไรต่ตางๆท่านก็ร่วมมืออย่างดีนะแผลจะได้สะอาดน่ะหลวงพ่อเป็นพิสุอาพาธ ท, ที่ดูแลได้ง่าย ดูแลง่ายอะไรหนึ่งเราไม่ต้องดูแลจิตใจของท่านเลยซึ่งจิตใจเนี่ยมีแต่ท่านช่วยนะช่วยผู้ดูแลช่วยคนที่มาเยี่ยมนะมาห่วงหลวงพ่อทำไมนะให้ห่วงตัวเองดีกว่าถ้าจะพูดแบบนี้กับหลายๆคนตอนที่ท่านพูดได้หรือตอนที่ท่านเขียนได้นะท่านบอกไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะให้ห่วงตัวเองนะเรายังทุกข์อยู่หรือเปล่า เราจึางลงอยู่กี่เปล่าจ ง, งอยู่โกรธอยู่เปล่าให้ห่วงตัวเราเองนะไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะเรื่องใจของหลวงพ่อเนี่ยเราไม่ต้องช่วยเรื่องกายก็ช่วยแต่ช่วยไม่มากหรอกหลวงพ่อช่วยตัวเองได้เยอะอยู่นะก็ช่วยไปตามที่ให้อาหารบ้างให้ยาบ้างดูแลดูนั่นดูนี่บ้างไม่ถือว่าเป็นงานหนักมากนะนะแต่ก็ได้เห็นว่าท่านเออวางใจกับสังขารร่างกายท่านได้ได้ดีมากนะ ท่านไม่แสดงอาการแบบเครียดนะหรือว่ากระวนกรวายหรือว่าทุกข์ใจให้เห็นแต่ก็มีบ้างที่แสดงอาการทุกข์กายเนี่ยมันก็มีนะตอนช่วงที่ทุกข์กายหนั ก, นกๆท่านก็ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่นะในบางครั้งแต่บางทีทุกขนาดไหนเนี่ยมาถึงทุกข์กายนะหมอถามว่าจะเอายาแก้ปวดไหมนะเกือบจะ 100% เปรนะประมาณ 99% ้านะิเก้าเปอร์เ็นตี่ยท่านบอกไม่เอาอมีแต่ตอนหนังทาตัดใหม่ๆที่มันเจ็บมากเออก็เอายาแก้ปวดบ้างคือหมอเองก็คาดว่าถ้าคนเป็นขนาดเนี้ยต้องปวดมากก็แหละหมอก็หวังดีว่าอยากให้ยาแก้ปวดกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเองบอกว่าปวดแค่เนี้ยทนได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องพึ่งยาอ่าก็เห็นโนะอ้ความอดทนของท่านก็มีสูง แต่จริงท่านอาจจะไม่ได้แค่อดทนเท่า น, นั้นหรอกแต่ท่านเป็นผู้ดูกายเขาทุกข์นะไม่ใช่เป็นผู้เป็นกายที่ทุกข์นะเป็นผู้ดูกายที่ทุกข์นะไม่ใช่เป็นผู้เป็นนะสิ่งที่ท่านฝึกตัวเนี้ยท่านก็บอกว่าเออสิ่งที่ที่ได้เรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะสี่สิบกว่าปีนะที่อยู่วัดป่าพุทธยานได้เรียนกับหลวงพ่อเทียน มันคือวันนี้ของท่านนะมันใช้ได้จริงนะก็คืออาการที่ไม่ไม่ทุกข์ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในนามท่านมักจะบอกเลยว่าเนี่ยอืมหลวงพ่อเทียนสอนให้เราเห็นอาการเกิดดับของนามรูปถ้าใครเห็นอาการเกิดดับของนามรูปเนี่ยมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งต่างๆทุกสิทธิ์หลวงพ่อเทียนถ้าทาได้เช่นนี้ เชื่อว่าเป็นนกสิตของหลวงพอ่อเทียนจริงๆนะมันก็เชื่อว่าหลวงพอ่อคําเขียนนะ่ะเป็นนุสิ์ของหลวงพอ่อเทียนจริงๆองค์หนึ่งนะถ้าเห็นอาการเช่นนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในตรงนี้นะ่ะท่านแสดงให้เราเห็นนะผ่านการที่ท่านป่วยนหนักๆละยิ่งเห็นชัดเลยเจ็ดแปดเดือนที่ท่านป่วยนะท่านแสดงให้เห็นชัดเจนมากโดยเฉพาะนะวันสุดท้ายนะ ขอที่ท่านจะรักสังขารเนี่ยอาการเจ็บป่วยของท่านนะแต่ท่านก็ยังดำรงสติสัมปชัญญะได้ในเรียกว่าทุกอิเดียบทในขณะที่นอนป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตนะอย่างเช่นในคืนสุดท้ายเนะนี่ยท่านก็นอนนอนป่วย น, นอนให้ออกซิเจนตั้งแต่สี่ทุ่มจนะทั่งถึงตีสี่นะ นอนตะแคงด้านเดียวนะตะแคงซ้ายตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่ท่านก็กดจิงเรียกเรียกเราให้ถ้าจะพลิกตัวทั้งขวาให้พวกเราไปดูออกซิเจนดูสายออกซิเจนว่ามันจะบิดมันจะดุดหรือเปล่านัน่เราก็ไปช่วยจับดูปรากฏว่าพอช่วงตีสี่ปรากฏว่าเห็นท่อท่อหายใจมันถูกก้อนเนื้อกนะ้อนเนื้อมันดันออกมา ครึ่งหนึ่งได้ไม่ได้ดุดนะดันออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็บิดเบี้ยวไปทางขวาเออเราก็เห็นว่ากอนเนื้อมันโตเด็วเนาะเพราะว่าที่จริงตอนเย็นน่ะอาตมาเองยังรัดแน่นเลยนะสอดนิ้วเข้าไปได้แค่สองนิ้วน่ะอาจแน่นสายที่รัดก็ไม่ใช่เป็นสายยืดหยุนตอนเที่ยงคืนก็ยังสังเกตดยมันก็ไม่ไ ด, ดันออกม า, มามากดันออกมานิดหน่อย แต่ตอนทีสี่ทำไมมันดันออกมาเยอะขนาดนี้นะก็พอดีอาจารย์ตุ้มก็กลับมาจากกรุงเทพพอดีท่านไปกรุงเทพกลับมาไม่นานนักนะแล้วก็มีท่านอันอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันก็ได้สามคนช่วยกันในตอนต้นนะช่วยกันบอกท่านอันไปบทยาเด็กซ่ามาอัตมาเองก็ไปฉีดยาเตรียมยาฉีดให้หลวงพ่ออาจารย์ตุ้มก็ไปดูออกซิเจนนะ แบ่งหน้าที่กันนะประคองออกซิเจนให้กับหลวงพ่อนะขอฉีดยาพอฟีดยาให้กับหลวงพ่อแล้วก็สังเกตดูอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะพ่นยาขยายหลอดลมเข้าไปด้วยนะก็ทั้งให้ออกซิเจนด้วยทั้งพ่นยาขยายหลอดลมด้วยพยายามจะดัดสายเข้าไปสักหน่อยเอ๊ไม่เข้าหาเด็กซามาฉีดอีกนะตอนแรกกะว่าจะฉีดเข้าเส้นเลือดนะ แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเพราะว่าเส้นเลือดของพ่อเองค่อนข้างเปาะแล้วก็หาเส้นยากอฉีดเข้าก้นเหมือนเดิมดีกว่านาฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็อฉีดจนเรียกว่าปริมาณยาหนี่สูงสูงในพิกัดที่หมอบอกว่าเป็นโดสที่สูงแล้วก็ฉีดแค่นั้นก็พอเราก็คิดว่ารอไปสักพักเนี่ยก้อเนื้อมันจะยุบลงไปเราจะได้ดัดสายเข้าดันเข้าไปนะให้มันมากขึ้นนะมันจะได้ไม่ดูดออกมาอีก แต่หลวงพ่อเองก็ยังเริ่มหายใจแบบกระสับกระส่ายนิดหนึ่งคิดว่าก้อนเนื้อมันคงไปคนกวนตรงปลายท่อนะปลายท่อถ้าเราคิดถึงเหมือนเราเคยดูดดูดเฉากลวยไหมในน้ํำนะบางทีตอนที่เราดูดน้ําแล้วถ้าปลายมันไปติดเนื้อเฉากลวยมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่คิดว่าการหายใจของหลพ่อคงลําบากแบบนั้นนหะมันคงมีก้อนเนื้อดูดด้านล่างทำให้การหายใจลาบากนะมันดันออกมา นะแต่ตลวเพ่อก็ยังประคองประคองอาการต่างๆงท่านได้บ้างเจนทัน้งท่านรู้สึกเออดีระดับหนึ่งนะก็ท่านก็ขอเข้าห้องน้ำํำนะขอไปถ่ายอุจจาระนะถ้าสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้เองนะเดินเข้าไปเองอาจะมาเองก็แค่แบบประคองแบบแคล้ายๆ ท่านจะซีหรือเปล่าก็าแค่ประคองเฉยๆไม่ได้ไปจับท่านนะก็แค่ประคองดูท่านก็จับราวเดินเข้าไปเองท่านอันจันตุ้มตอนนั้นก็มีท่านอัจฉราเข้ามาช่วยแล้วก็จุงลากสายออกซิเจนเข้าไปในห้องน้ําเครื่องออกซิเจนเข้าไปในห้องน้ํานะตัวตมาเองตัวผมเองก็นั่งในห้องน้ํากับหลวงพ่อเนะี่ยดูท่านถ่ายนไม่ได้ดูที่ข้างล่างดูที่ข้างบนก็เห็นเอ้ยท่านก็ หายใจเสียงดังนะเสียงดังหายใจอยูนะคือค่าคือค่าเสียงดังแต่สังเกตหน้าตาท่านนะ่ะนิ่งมากหน้าตาท่านไม่ได้แสดงอาการแบบกระวนกระวายทุกข์ใจหน้าที่ตอนนั้นคือถ่ายอุจจาระไม่ใช่มากงังวลเรื่องหายใจไม่ได้ท่านก็หายใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายอุจจาระ ใช้สายชาระฉีดล้างก็ทำเองนะทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเราก็แค่ไปดูอาการจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ่ายเสร็จล้างล้างลนะ้างคนเสร็จนะท่านก็มามาล้างมือมาล้างหน้านะอย่างดีนะเช็ดมือเดินกลับเข้ามาที่เตียงของท่านเองนะแล้วก็แค่ประคองประคองสายออกซิเจนประคองเครื่องออกซิเจนมา หพ่อกลับมานอนนะหลพ่อยังคุกเข่าขึ้นเตียงได้เองแบบมีแรงนะคุกเข่าขึ้นมานอนแต่แคงขวาแต่ก็คาดว่าการเดินการเคลื่อนการนั่งมันก็อาจจะมีส่วนทำให้มันดันดันท่อออกไปสั ก, ส, กสักหน่อยพอสมควรนะเราพยายามจะเอาสายเข้าสักหน่อยก็ เขาไม่เคยได้เราจะมาเองเปคนดันเองแหล ะ, ะเป็นคนดันสายเป็นคนดันท่อบ้างอาจารย์ตุ้มเป็นคนเจาะออกซิเจนท่านอันท่านอา จ, จารย์ดาก็ดูถังออกซิเจนใหม่ก็มาช่วยมาเตรียมเตรียมพร้อม<อ>มีโยมนิดก็มาทําความสะอาดเก็บนั่นเก็บนี่ด้วยมีแม่ชีเมี้ยวฉือนก็มาด้วยแต่ามาก็บอกแม่ชีเมี้ยวฉือถ้าอาจารย์ไปสารทําวัดเสร็จเมื่อไหร่เติอนผ่านมานะเรียกอาจารย์เข้ามาหน่อยนะ ดูอาการไม่ค่อยดีละอ่ะอะก็เม่อจืก็ก็ช่วยดูกันตอนนะก็มีหกคนที่ช่วยดูกันโทรติดต่อคนอื่นบ้างแต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็ไม่คิดว่าช่วงตรงนั้นจะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อนะใครจะไปคิดว่าคนที่เดินเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวของท่านเองนะขับถ่ายได้เองเนี่ยจะจากไปภายในอีกสิบห้านาทีต่อมาท่านลงมานอนที่เตียง นอนไปสักพักการหายใจก็เสียงดังมากขึ้นนะเพราะว่าท่อมันดูดออกมาสักหน่อยแต่กป็ประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่มันไม่สามารถจะดันเข้าไปได้อีกนะท่านก็หายใจลาบากหน่อยเราก็ให้ออกซิเจนพ่นยาแล้วก็ไม่ได้นะก็บอกท่านอัานโทรถามถามหมอว่าจะให้ยาเพิ่มอีกได้เปล่านะ ขนาดนั้นเองท่านก็ขอขอกระดาษขอปากกานะมาเขียนเขอมาเขียนท่านก็เขียนไปตัวธรรมาเองอยู่บนหัวตำแหน่งที่มองว่าท่านเขียนว่าอะไรอ่านไม่ค่อยออกอ่านได้แต่บรรทัดสุดท้ายว่าตายแต่สองบรรทัดก่อนนั้นอ่านไม่ค่อยออกเหมือนคล้ายๆคลับๆคาว่าพวกเราอะไรนะแล้วบรรทัดที่สองอ่านไม่ค่อยชัด แล้วตอนทั้าสุดท้ายอ่านว่าตา ย, ยหลวงพ่อเขียนอะไรก็ไม่ดูนะไม่ต้องสนใจหรอกช่วยหลวงพ่อกันก่อนเถอะนะก็บอกกันกอช่วยหลวงพ่อกันก่อนแล้วพอหลวงพ่อเขียนเสร็จหลวงพ่อไหว้พวกเรานะพนมมือไหว้พวกเรามองพวกเราแบบมองจริงๆนะพวกเราก็คิดว่าหลวงพ่อไหว้ขอบคุณปกติหลวงพ่อเนะี่ย ถ้าเราทำอะไรให้กับท่านท่านก็จะขอบคุณพวกเรานะหรือบาทีเราไม่ทันจะไหว้ท่านท่านก็ไหว้เราตอบท่านก็ไหว้เราก่อนครั้งนี้ก็คิดว่าเหมือนกันนะคิดว่าเป็นการเราพาท่านเข้าห้องน้ำดูแลท่านนั่นนี่ก็คิดว่าท่านไหว้ขอบคุณพวกเรานะคิดว่าท่านดีขึ้นพอองควรถึงเขียนได้ก็ไหว้ขอบคุณพวกเราแต่หาดูไม่ว่าเป็นการไหว้สังราเพราะว่าในจดหมายที่ท่านเขียนฉบับสุดท้าย อท่านเขียนท่านเขียนแบบนี้นะถ้าเขียนว่าพวกเรานะอันนี้มันทัดแรกพวกเรานะมันทัดที่สองขอให้หลวงพ่อนะบันทัดที่สามตายนะคล้ายๆ ค, ความหมายก็คงประมาณว่าขอให้หลวงพ่อตายเถอะเนาะพวกเราช่วยหลวงพ่อเต็มที่แล้วนะทัดขันของหลวงพ่อคงเกินการเยียวยารักษาแล้วล่ะ พอได้แล้วพอสมควรได้แล้วน่าจะความหมายประมาณนี้นะแต่หลวงพ่อก็เขียนสั้นๆนะประมาณ อ, อพวกเรานะขอให้หลวงพ่อตายนะออประมาณนั้นอืมก็ไม่คิดว่าเป็นการเขียนลาครั้งสุดท้ายนะเพราะบางทีบางคืนหลวงพ่อเคยกล่าวเช่นนี้นะเคยกล่าวไม่รู้จะพ้นคืนนี้หรือเปล่าอาจจะตายคืนนี้ก็ได้นะ แต่การเขียนตรงนี้ก็เป็นการเขียนชี่ว่าเขียนอย่างผู้ที่มีสติเต็มที่คือท่านรู้ว่าธาตุขันธ์ของท่านเกินการรักษาแล้วมั้งการที่อุจจาระมันจะออกมาทั้งมันคงอยากจะระบายธาตุขันธ์คงใกล้จะแตกดับแต่ท่านก็ยังมีสติประคองกายนะพากายไปชำระล้างสิ่งสกปกออกจากร่างกายได้กลับมาก็มาเขียนหนังสือมาลาพวกเราได้ ยังมาไหว้ส่งลาไหว้ขอบคุณพวกเราด้วยพวกเราเองแหละที่ไม่ทันได้เอจใจว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการที่ท่านได้สื่อสารกับเราเพราะหลังจากนั้นท่านก็นอนพักๆหนึ่งก็คอตกพับลงไปที่คล้ายๆคนแบบคอพับนึกว่าเป็นการหาท่าที่สะดวกของท่าน แต่น่าจะเป็นท่าที่ทำให้ท่านหมดลมหายใจตัวผมเน้อธตรมเองยังจับชีพจรดูในช่วงที่ท่านคอพับใหม่ๆก็ยังมีชีพจรเต้นบ้างแต่สักพักหนึ่งชีพจรไม่เต้ น, นก็ไปดูอีกนิ้วอีกข้างหนึ่งที่ใส่เครื่องวัดชีพจรและออกซิเจนก็ไม่มีตัวเลขเลยเอ๊ก็แตกกันนะ ทั้งสองทั้งสองข้างเราจับเองก็ไม่เห็นไปดูตัวเลขในเครื่องมือวัดก็ไม่มีก็เลยเอาสเตตโตโสโคปนะ่ะเป็นหูฟังของหมอนาะมาฟังดูหัวใจหัวใจเต้นหรือเปล่าฟังครั้งแรกไม่ได้ยินไม่ค่อยแน่ใจหรือเราจะฟังไม่ถูกหัวใจนะ่ะฟังครั้งที่สองก็ไม่ได้ยินนะ่าคงแน่ใจแล้วแหละว่าหัวใจของพ่อหยุดเต้นแล้ว นะเขอมองหน้ากับาจานตุ่มกับคนที่อยู่ด้วยกันนะอืมหัวใจไม่เต้นแล้วเนาะพอแล้วเนาะเราพ่อไปแล้วแหละนะเราคงช่วยท่านเต็มที่แล้วแหละท่อเขเข้าไม่ได้นะหายใจก็ลำบากนะท่านก็จากพวกเราไปด้วยอาการที่สงบมากนะไม่มีอาการเหมือนเหมือนเหือบหายใจพยายามจะฝืนการหายใจไม่มีาการทุรนทุรายนะ จากไปนิ่งๆเรายังไม่รู้ที่ธรรมาท่านจากไปในเวลาเท่าไรเพียงแค่อนุมาณจากเวลาที่ได้คุยกับหมอที่หมอว่าฉีดยาไม่ได้แล้วนะในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาก่อนก่อนห้านาฬิกาของเช้าวันที่ยี่สิบสามสิงหาท่านจากเราไปแบบแบบสงบมากนะแต่ก็รู้สึกว่าเออท่านได้สอนธรรมะบทสุดท้ายนะ ผู้ที่ฝึกสติดีนะมันสามารถมีสติจนกทั่งถึงเวลาตายได้จริงๆไม่ใช่เป็นการขาดสติก่อนที่จะเสียชีวิตบางทีเราเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตขาดสติเพอ้อเจอ้อหรือว่าทุรนทุรายร้องผมร้องไห้อะไรอาวรนในสังขารอะไรอาวรนในลูกในหลานในทรัพย์สินเธอถึงขาด แต่หลงพ่อไม่มีอาการเช่นนั้นนะท่านจากไปอย่างสงบนะเป็นการจากไปเหมือนกับเหมือนกับเรียกว่าปิดสวิทช์ไนฟะเบาๆลงนะเหมือนเสียงคล้องเสียงะระฆังพอตีลงไปนะ่ก็มันสุดเสียงมันก็ค่อยๆแผ่วค่อยๆสุดของเขาเองนะเป็นการจากไปที่ที่เรียกว่าสวยงามเนาะ ก็คิดว่าหลายคนเองก็คงไม่อยากให้หนงพ่อจากไปเร็วขนาด น, นั้นนะแต่เราก็มองว่ามันก็คงถึงเวลาที่สมควรแก่ร่างกายของท่านแล้วเนาะถ้าท่านก็รู้ตัวว่าท่านจะจากไปแล้วท่านก็ได้สั่งราพวกเรานะนะนะอย่างนั้นนะควต้องยอมรับความจริงเนาะพะอย่างที่พูดเมื่อบานว่าบางทีสังขารที่เป็นรูปประท ร, รมเนี่ยยึดไม่ได้นะ ตัวหลวงพ่อคำเขียนไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเช่นนั้นแต่ถ้าตัวหลวงพ่อคำเขียนจริงๆนะน่าจะเป็นธรรมะนะที่ท่านได้สอนที่ท่านได้ทำให้พวกเราดูนั่นแหละนั่นแหละคือตัวที่เราสามารถพึ่งพาได้นะถ้าเราจะพึ่งพาคุณภูคือหลวงพ่อคำเขียนก็คือพึ่งพาธรรมะที่ท่านสอนเรานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหลวงพ่อพูดนะ แม้พูดเรื่องเดียวนะพูดเรื่องเดียวเทพเนี่ยมวาว่าหลวงพ่อไม่พูดเรื่องอื่นเนี่ยพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการมีสตินะหลวงพ่อพูดแต่เรื่องนี้ตลอดแต่หน้าอัศจรรย์ท่านเทพแบบนี้ถ้าตัวเองได้ฟังก็แค่สิบสี่ปีแต่ท่านคงเทพแบบนี้มาสี่สิบกว่าปีนะแต่ท่านก็ยังไม่เบื่อคําเทศของท่านหรือคนฟังเองก็ไม่เบื่อไม่เต็มอิ่มในคําเทศของท่านฟังเมื่อไหร่ แม้เป็นเนื้อหาคล้ายๆกันเนี่ยแหละแต่รู้สึกว่ามันใหม่รู้สึกว่ามันมีรสชาติคล้ายๆเหมือนกับเราทานข้าวอ่ะเราทานข้าวเราก็ทานข้าวทุกวันนะแต่ทานเมื่อไหร่มันก็อิ่มก็อร่อยก็มีคุณค่ารู้สึกว่าธรรมะของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นเละเหมือนเราทานข้าวเหมือนเราทานน้าเนี่ยมันไม่เบื่อมันไม่อิ่มมันไม่เต็มทันที อ่ามันรู้สึกมันมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลานี่สิ่งที่ท่านสอนธรรมะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตพอที่ท่านป่วยามารู้สึกเองนะอ่าจะผิดถูกอย่างไรนะแล้วแต่ให้พิจารณาเองแต่รู้สึกว่าในขณะที่ท่านป่วยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อิ่มธรรมะนะท่านไม่ขนขวายหาธรรมะอื่นนอกตัวมาช่วยตัวท่านเองเลยอไม่ขนขวยไม่เรียกร้องไม่ยินดียินไล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 เหมือนคนอิ่มข้าวนะเมื่อเราอิ่มข้าวแล้วมันก็ไม่อยากกินอะไรเพิ่มขึ้นคือเมื่ อ, อไดที่เรานอนหลับอิ่มๆนะ่ะตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นไม่อยากนอนละนะได้พักผ่อนเต็มที่มันก็ไม่อยากพักและวได้กินเต็มที่มันก็ไม่อยากกินแล้วรู้สึกว่าท่านอิ่มในธรรมที่ท่านรู้ที่ท่านมีนะมันอยู่ในตัวอยู่ในใจของท่านไม่ได้คนควายไม่ได้ดดนอนอะไรนะ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 แม้ได้เห็นไม่ได้สัมผัสแต่ถ้าไม่ได้เอาไปกระทํากับตัวเองก็ก็ชื่อว่าได้ค่าเหมือนกันนะเขาชื่อว่าไร้ค่าเหมือนกันนะแต่ถ้าใครนะที่ได้เอาธรรมะของหลวงพ่อไปไปปฏิบัตินะให้อยู่ในเนื้อในตัวในใจของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะเขาคิดว่าการณสังขารของหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่เป็นการนะที่เราต้องนะ ร้องไห้เสียใจอะไรเนาะแต่ให้เรายอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือบางทีก็ต้องอนุโมทนาหรือบางทีก็ต้องคอยเรียกว่าเข้าใจเนาะว่าสังขารที่เป็นรูปของท่านมันทุกข์จริงๆนะท่านได้ละทุกข์ของรูปไปได้เนี่ย ก, ก็เหมือนก็สบายสบายกายไประดับหนึ่งนะ เพราะที่ยิงทุกทางใจของท่านคงละได้นานแล้วนะพวกเราเองนั่นแหละยังอยู่กับรูปที่ทุกอยู่หรือบางทีก็ยังอยู่ในนามที่มันยังทุกอยู่ยังหลงอยู่เราจะทำยังไงให้ใจเราละนะความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากความหลงของเราได้นี่น่าจะเป็นกิจของเราเนาะที่จะได้สืบสืบสารต่อนะสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไว้นะ เพื่อที่จะได้อยู่กับกายที่ต่อไปมันจะทุกกว่านี้นะมันต้องเจ็บกว่านี้มันต้องแก่กว่านี้้าสุดท้ายมันต้องแตกดับตายไปเราจะอยากตายแบบหลวงพ่อไหมตายแบบสงบตายแบบไม่ทุกข์ใจนะนะนี่เราก็ต้องฝึกหัดเนาะแต่ไม่ใช่เราจะคิดนะเช่นนั้นนะสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างเหตุนะสร้างเหตนะุก็คือการรู้ตัว การมีสตินะพยายามฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆจะทำอะไรก็แล้วแต่นะพยายามมีสติยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเลื่อนไหวกินดื่มขับทายเจ็บปวดนะฝึกทุกนะมีสติเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเนี่ยดูไปเรื่อยนะอันนี้แหละคือคำสั่งสอนของคลงพ่อ ท, ที่ที่กับผมหรืออาจจะมาได้ ในเรียนรู้ได้สัมผัสนะก็เชื่อว่าพวกเราหลายคนหลายท่านก็คงได้สัมผัสนะ uh, คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะก็ uh, ขอให้พวกเราทุกท่านนอ่ได้ได้เดินตามคำสั่งสอนของหลงพ่อคำเขียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทั่งสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะ